เราะหลงจึงปรารถนาต้องการสิ่งของหรือทรัพย์สินเงินทองที่เห็นสวยงามมีค่าหน้าปรารถนาต้องการก็เช่นกันหากจะเป็นการต้องการได้มาด้วยวิธีไม่ทุจริตแล้วก็ต้องใช้วิธีบริหารจิตให้พ้นจากความปรารถนาต้องการนั้นให้ได้ อาจจะด้วยการคิดให้เห็นชัดเจนแจ่มแจ้งแก่ใจตนเองว่าสิ่งของนั้นหรือทรัพย์สินเงินทองนั้นมีได้ยั่งยืนจากหมดสิ้นไปในวันหนึ่งหากได้มาโดยชอบก็สมควรที่จะให้ได้มาเพราะแม้เมื่อถึงเวลาที่หมดสิ้นก็ไม่มีความเสียหายเหลือไว้เป็นมวลทินให้เสียหายเศร้าหมองแต่หากจะต้องไดมาโดยมิชอบแล้วโดยต้องทุจริตแล้ว ก็ไม่สมควรเลยที่จะให้ได้มาเพราะเมื่อถึงเวลาที่หมดสิ้นก็จะมีความเสียหายอันเกิดจากการทุจริตเหลือไว้เป็นมนลทินให้เสียหายเศร้าหมองตลอดไปยังไม่มีวันจะอาจลบได้เลยแม้ชีวิตจะหาไม่แล้วมนลทินนั้นก็จะยังประกาศตัวอยู่ไม่รู้แล้วเป็นการได้ที่ไม่คุ้มเสียแต่การคิดให้ได้เช่นนี้ ผู้คิดต้องมีโมหะไม่มืดมิดจนเกินไปมีความโลภไม่รุนแรงจนเกินไปสำหรับผู้ที่มีโมหะมีความโลภรุนแรงจนเกินไปแล้วก็จกไม่อาจเห็นอะไรตามความเป็นจริงได้เลยหาจะเป็นการขัดต่อสิ่งที่เขาคิดว่าเป็นประโยชน์ของเขาซึ่งที่จริงหาได้เป็นผลประโยชน์แต่อย่างใดเป็นโทษแท้แท การได้มาซึ่งสิ่งของหรือทรัพย์สินใดๆก็ตามโดยวิธีอันมิชอบนับเป็นการได้ที่ไม่คุ้มเสียเพราะสิ่งเหล่านั้นเมื่อถึงเวลาก็ต้องหมดสิ้นไปตามธรรมดาแต่ความเสียหายอันเกิดจากการทุจริตย่อมจักคงอยู่ฉะนั้นเมื่อมีความปรารถนาต้องการเกิดขึ้นในสิ่งใดอย่างมิชอบให้ใช้วิธีแก้ไขความปรารถนามิชอบของตนให้ดับด้วยการคิดถึงความจริงว่า เป็นสิ่งที่ไม่คงทนถาวรจะต้องสลายไปเป็นธรรมดาเมื่อใดสามารถไลเห็นความต้องการสลายไปเป็นธรรมดาของสิ่งที่ตนปรารถนาต้องการได้เมื่อนั้นความปรารถนาต้องการในสิ่งนั้นย่อมดับลงได้และผู้ใดสามารถทาให้ความปรารถนาต้องการดับลงได้ด้วยการแลเห็นเหตุผลที่ถูกต้องตามความเป็นจริงว่าสิ่งที่ปรารถนาต้องการนั้น ไม่คงทนถาวรอยู่ตลอดไปจากเสื่อมสลายหมดสิ้นนับว่าผู้นั้นเป็นผู้ไม่มีโมหะในเรื่องนั้นสิ่งนั้นมีความเห็นถูกเห็นจริงในเรื่องนั้นสิ่งนั้ น, <ม>นผู้มีความเห็นถูกเห็นจริงหรือเรียกว่าไม่มีโมหะไม่มีความหลงในเรื่องใดสิ่งใดก็ตามย่อมจักไม่ทําผิดในเรื่องนั้นสิ่งนั้น ส่วนผู้ที่ทำผิดในเรื่องใดสิ่งใดก็เพราะมีโมหะหรือความหลงคิดผิดเห็นผิดในเรื่องนั้นสิ่งนั้นนั่นเองผู้ที่ทุจริตต่อหน้าที่การงานของตนเพราะหวังผลอันเป็นลาบสการะก็เพราะมีโมหะหรือความหลงเป็นเหตุนี้มีขึ้นอยู่เสมอเพราะเห็นว่าการทุจริตต่อหน้าที่ของตนเพียงเท่านั้นไม่เป็นไร ลาบผลที่จะได้จากการทุจริตต่อหน้าที่เพียงเท่านั้นมากมายพอคุ้มกันเช่นนี้เรียกว่าเป็นความเห็นไม่ถูกต้องตามความจริงเรียกว่าเป็นโมหะหรือความหลงและผลของความหลงจะเป็นผลดีไปไม่ได้ผลของความหลงต้องเป็นผลไม่ดีเสมอผลดีต้องเป็นผลของความไม่หลงตัวอย่างมีอยู่แล้วเสมอทุจริตต่อหน้าที่ ได้รับเงินทองตอบแทนในระยะแรกแต่ได้รับโทษในระยะต่อไปผู้ที่มีโมหะพิจารณาเรื่องดังกล่าวข้างต้นนี้จะเข้าใจว่าการทุจริตต่อหน้าที่ทำให้ได้ทั้งผลดีคือได้เงินด้วยและได้ทั้งผลเสียคือได้รับโทษ ด, ด้วยในภายหลังส่วนผู้ไม่มีโมหะนั้น หากพิจารณาเรื่องเดียวกันจะเข้าใจทันทีว่าเงินทองที่ได้ในระยะแรกมิใช่เป็นผลดีของการทุจริตต่อหน้าที่ผลของความทุจริตมีเป็นโทษอย่างเดียวเท่านั้นผู้ไม่หลงย่อม赖เห็นถูกตามความเป็นจริงว่ากรรมทุกอย่างย่อมมีผลกรรมดีย่อมมีผลดีกรรมชั่วย่อมมีผลชั่ว กรรมดีจะไม่มีผลชั่วและกรรมชั่วจะไม่มีผลดี